ปีนี้พระในวัดเยอะมากกืบตกอาสนะเมื่อก่อนหลวงพ่อรับไว้ไม่มากนะก็มีน้อยๆพอหนากันจริงๆนี่พอพวกเราพอนาแล้วอยากบวชแต่ไม่มีปุติก็ส่งไปที่อื่นไปวัด โน้นบัดนี้นะสุดท้ายก็สลายตัวไปเรียนหลายที่ไม่รู้เรื่องโยมเมื่อก่อนม า, นมาแล้วก็แยกไง้ายไปปัญหาแบบเดียวกันกระจายไปที่โน้นที่นี้แล้วก็สลายตัวไปจับหลักไม่ได้ หรวพ่อเลยพยายามบอกว่าพ o นาที่บ้านเรียนให้ได้หลักของการปฏิบัติให้แม่นเราไปลงมือพ o นาอยู่ที่ไหนก็พ o นาตรงนั้นมาหลังๆเนี่ยพวกเราเริ่มเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นครีมไม่ใช่น้ำนมธรรมดาแล้วเริ่มเข้าขั้นหัวกะทิ หางกะทิข้าวบารุบีควเราพ่อพูดได้อย่างหนึ่งว่าไม่มีที่ไหนที่เราเรียนแล้วจิตเราจะตื่นเยอะอย่างนี้ไม่มีที่ไหนหรอกที่แยกขันได้แบบนี้เมื่อสามสิบปีก่อนครูบาอาจารย์ที่ดีมีมากหลวงพ่อตะเวนไปตามวัดครูบาอาจารย์ ไปกราบไปไหว้เต็มไม้เต็มเมืองคนที่ภาวนาตามท่านไปไม่ค่อยรอดมันไม่แข็งเหมือนครูบาอาจารย์ไม่เก่งส่วนมากไม่ค่อยมีสติแทนที่จะเน้นความมีสตินะก็ไปเริ่มต้นเน้นที่สมาธิก่อนนึอว่านั่งสมาธิแล้วคือคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างสติต่างหากะเป็ตอบ นั่งสมาธิไม่ประกอบด้วยสติเป็นมิจฉาสมาธิจเจริญปัญญาไม่ได้จริงงั้นในคนเป็นพันพันคนนะนนนนนะจะจได้สักคนหนึ่งขึ้นมากว่าจะเข้าใจขึ้นได้สักคนหนึ่งหายากเข้าไปหลวงพ่อเคยพาเพื่อนๆนั่งรถตู้ไปสิบคน ข้าวัดครูบาอาจารย์บางงท่านจิตไวพอรถเราจอดนะหันควับเลยแล้วอุทานบอกว่ามันไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้มาได้ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องแปลกตอนนั้นพวกนั้นได้แค่รู้สึกตัวนะแยกขันยังไม่เป็นเลยแค่นั้นก็เป็นของประหลาดละหายาก ส่วนมากไปพอนานแะล้วมันจะไม่ค่อยได้หลักกัน mm. เวทธทรเน้นที่สมาธิแล้วไม่มีสติกากับกลายเป็นมิจฉาสมาธิไปหมด mm. ส่วนหนึ่งก็ต้องหลุดออกไป mm. นะมาเรียนที่หลวงพ่อแล้วเราไม่มีที่ให้อยู่ไม่สามารถเฝ้าได้ทั้งวัน mm. เหมือนพระมานะขอบวชไม่มีที่ให้บวชไปที่อื่นส่วนหนึ่งต้องเสียไป ก็้เขาจะไม่ได้หลับโยมส่วนหนึ่งหลุดไปพวกที่เหลือนพวกแหลงจริงจริงตอนนี้ปัญหากำลังวนกลับมาอีกปัญหาเดิมแต่เปลี่ยนกลุ่มคือกลุ่มต่างประเทศคนต่างชาติมาเยอะเลยมาเรียนพอมาเรียนแล้วก็ไม่มีที่ให้อยู่ก็กระจายกระจายไปอยู่ตวนอ้นตัวนี้ไป หลักไม่แม่นกระจายออกไปก็สลายตัวไปแยกไม่ออกว่าหลักของการปฏิบัติจริงๆทำยังไงนี่ประสานนะเขสงสารประสานอยากจะสร้างโรงแรมให้อยู่เลยนะเก็บถูกๆบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกที่เราเล็กนิดเดียวอย่างมาอยู่ห้าสิบคนมาอยู่ร้อยคนนะ แล้วพี่อยู่ที่ไหนอยู่แต่ในห้องหภาวนาออกมาข้างนอกก็ไม่มีที่แล้วที่บ้านประสานก็ไม่พอที่วัดก็ไม่พอที่วัดตอนนี้เจอพระเข้าไปคนเดินเกันเต็ม ว, วัดแล้วแทบจะเบียหัวแล้วเดินชนกันแล้วเื็นปัญหาแับเดิมกระจายออกไปส่วนหนึ่งจะต้องสูญเสียไปคนที่หลักไม่แม่นคนที่จับหลักได้แม่นนะ อยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้ถ้าเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมาอยู่กับครูบาอาจารย์หรือต้องอยู่ในวัดนะัยังห่างไกลการปฏิบัติมากที่จริงการปฏิบัติธรรมไม่ได้ว่าต้องอยู่ในวัดหรืออยู่กับครูบาอาจารย์จะอยู่กับความมีสติถนะัดถ้าเรามีสติแนละ้วอยู่บ้านเรานี่ยแหละภาวนาหรืออยู่ในที่ทางานทางานไปภาวนา เดินทางอยู่บนถนนนะก็ภาวนามันทำได้หมดเลยถ้าเราจะต้องสร้างเงื่อนไขว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ถึงจะภานาเราย่าอ่อนแอเกินไปภาว น, ะนาไม่ได้จริงมันหวังเพึ่งครูบาอาจารย์สิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เราได้นะคือให้หลักของการปฏิบัติถัดจากนั้นเราแยกย้ายกันภาวนาะในทีท่่ของเรานะที่ที่เหมาะกับตัวเรา สมัยพุทธกาลเองพระเขาไม่ได้มารวมอยู่ที่พุทธเจ้ามากมากพอฟังทำเสร็จเนะ่ยท่านก็บอกโน่นโคนไม้ใ น, นเรือนว่าง น, ะนั่นลูกเขานี่ท้ำไปอยู่แยกย้ายกันไปไม่ได้รวมกลุ่มกันไปนะไม่ใช่เฮเฮขึ้นรถตัวไปเอาละลุยไปตรงนี้แล้วไปภาวนาไม่ได้กินหรอกมันเป็นเรื่องของส่วนตัวทางใครทางมันแนะยกย้ายก็ไปปฏิบัติถ้าไม่มีที่จะไปอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่นอยู่ตรงไหนมีสติที่นั่นถ้าอยู่ตรงไหนมีสติที่นั่นนั่นคือการปฏิบัติการปฏิบัติจะไม่มีเงื่อนไขว่าต้องตรงนั้นต้องตรงนี้ต้องเมื่อนั้นเมื่อนี้มีเงื่อนไขมากมายการปฏิบัติจริงๆก็คือฝึกความมีสติขึ้นมาอยู่ที่บ้านมีสตินะเช่นเราจะต้องขวัดบ้านขวาดบ้านด้วยความรู้สึกตัวเราเห็น ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหรือเราจะต้องถูบ้านนะหามอบมาถูอะไรเงี้ยสมัยหลวงพ่อไม่มีนะคนโบราณนั่งกับพื้นเลยเอาผ้าถูเอาไม่มีก้านยาวๆเงี้ยขึ้นเอาก้านมาใส่ถูๆเงี้ยจะถูกๆว่าไม่เรียบร้อยไม่สะอาดชัวมือขัดไม่ได้ถูๆไปเรื่อยๆพวกเขานี่ด้าน พื้นมันแต่หัวเข่าด้านถ้าเอาเจริญสติไปเจริญสติไปได้เรื่อยๆเลอเมื่อก่อนนะซักผ้าใช้มือซักหน้าหนาวนี่หน้ากลัวนะซักผ้ามือก็แห้งผงซักฟอกก็กัดมืออีกเดี๋ยวนี้สบายมีเครื่องซักผ้าถึงเวลาก็กดปุ่มเวลาที่เหลือเล่นฟเฟซเล่นไลน์นะเออ มันสู้คนรุ่นโบราณรุ่นหลวงพ่อไม่ได้นะเราซักผ้าเนี่ยเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกนะใจเราสยดสยองว่าแหมมันหนาวจังเลยมือเราเจ็บแล้วเนี่ยมันรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกอยูได้เรื่อยๆจะทําอะไรนะก็รู้สึกได้เรื่อยๆคนแต่ก่อนทํากับข้าวยุคนี้ไม่ทํายุคนี้ใช้ซื้อออกซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องใส่จาน มีถ้วยโฟมมาเรียบร้อยใช่ไหกินเสร็จแล้วโยนทิ้งชีวิตสะดวกสบายแล้วเวลาที่เหลือไปทำอะไระเวลาที่เหลือเอาไปขาดสติงั้นเราอยู่บ้านนะฝึกที่บ้านไม่จําเป็นต้องมาอยู่ที่วัดมาอยู่กับหลวงพ่อทุกวันนี้เทคโนโลยีดีสมมติว่าอยู่เมืองจีนหรืออยู่มาเลเซียอย่างเงี้ยมีปัญหาก็เมลมาถาม อาจารย์ประสานได้อาจารย์ประสานรับตอบช่วยเหลือได้ไม่จาเป็นไม่จาเป็นต้องหาที่อยู่ว่าต้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้ตรงนี้จะต้องไปอยู่ที่อื่นต้องอยู่เมืองไทยนานๆนั่นเข้าใจผิดแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยธรรมะอยู่ที่ใจของเราเราไปอยู่ประเทศไหนนะมีใจของเราอยู่แล้วเนี่ยเรียนรู้เข้าไปสิ ไม่เห็นจะต้องพึ่งสิ่งภายนอกเลยนะการที่มาฟังธรรมเนี่ยมาเพื่อให้ได้หลักของการปฏิบัติเมื่อรู้หลักการปฏิบัติแล้วนะเราต้องอยู่ตรงไหนเราภานาตรงนั้นด้วยความมีสตินะธรรมะอยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่ไม่ได้อยู่ที่เพื่อนงั้นสิ่งที่สอนให้คือความมีสตินะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆหัดไป คนปกติจะใจลอยมันจะลืมตัวเองตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวจิตใจจะล่องลอยไปไปอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมพออย่างหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บจิตจะหนีไปอยู่ในโลกของความคิ ด, อองง ด, ด, คคดถ้าคอยระวังอยู่ก็จะไปอยู่ในโลกของการเพ่งกายเพ่งใจนะเพ่งอารมณ์หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยอ่อนแอเกินไปหนะย่อนเกินไปย่อหย่อน บังคับกายบังคับใจอใพอควบคุมไห่จนอึดอัดอันนี้ตึงเครียดเกินไปทางสายกลางไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปก็คือทางแห่งความรู้สึกตัวทางมีสติอยู่นะครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ที่สุดเลยนะคือหลวงปู่มั่นสอนขนาดนี้ว่าเมื่อไรมีสติเมื่อ น, นั้นมีการปฏิบัติเมื่อไรมีการปฏิบัติเมื่อ น, นั้นมีสติเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติตัวเดียวเนี่ย ให้นั่งสมาธิเช้ายันค่ำยันสว่างก็ไม่เรียกว่าการปฏิบัติแต่เรียกว่าการทรมานตัวเองเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่มีสติก็คือเดินทรมานตัวเองหลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าฉันปฏิบัติฉันปฏิบัติที่จริงไม่ได้ปฏิบัติไหนขาดสติเมื่อไหร่คือขาดการปฏิบัติมีสติเมื่อไหร่คือมีการปฏิบัติในครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นสอนโลมา ทุกงองสอ์แบบเดียวกันหมดเลยครูบาอาจารย์ที่ดีนะไม่ใช่บอกว่าให้นั่งสมาธิลูกเดียวทำความสงบลูกเดียวอย่างนั้นมันรือสีแล้วไปอยู่ในถ้าคนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ทํามาหากินเช้าขึ้นมาก็ไปดูใต้ต้นไม้มีผลไม้อะไรตกก็กินอย่างนั้นเรามีชีวิตอยู่ที่ไหนอยู่ด้วยความมีสตินั่นแหละเราปฏิบัติอยู่ เรามีสติอยู่ที่บ้านบ้านก็คือวัดของเราเราขับรถอยู่มีสติอยู่รถนี่ก็เป็นวัดของเรางั้นเรามีวัดของตัวเองนะมีสติที่ไหนก็มีการปฏิบัติอยู่ที่นั่นถ้าจับหลักตรงนี้ไม่ได้เราเอะอ่อนแอจะต้องพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นพึ่งสถานที่สร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อจะไม่ปฏิบัติก็ตั้งใจบอกว่าถ้าไปอยู่วัดเราจะขยัน ถ้าไม่ได้อยู่วัดไม่ขยันอยู่บ้านเนี่ยไม่ขยันได้อนุญาตอนุญาตตัวเองนะหลวงพ่อไม่อนุญาต <c oughs> งั้นจุดสำคัญนะฝึกความมีสติไว้หลวงพ่อหรือกรรมการวัดอยงประสารในไเนี่ยไม่สามารถซัพพอร์ตถึงขนาดว่าสร้างโรงแรมให้พวกเรามาอยูนะ่งั้นคนอยากเที่ยวก็จะมาอยู่ด้วยแล้วพวกที่มาเนี่ยจะคาดหวัง มาแล้วจะต้องได้อะไรคิดว่าถ้ามาอยู่แถวนี้แล้วจะต้องได้อะไรจะเอาอะไรอ่ะไม่ได้ได้อะไรไม่ได้เสียอะไรการปฏิบัติมีสติรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นมีสติรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นอยู่ที่ไหนก็มีกายอยู่ที่ไหนก็มีใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ถ้ามีเงื่อนไขต้องอยู่แถวนี้ถึงจะภาวนาได้ชาตินี้เธอไม่ได้ภาวนา นะมันถูกหลอกแล้วถูกกิเลสหลอกเพะฉะ้นภาวนาอยู่บ้านเราถ้าเราไม่มีที่ไปนะปลอดภัยที่สุดไม่เปลืองเงินด้วยนะอยู่ที่บ้านภาวนาไปทํางานบ้านอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้นะทํางานไปด้วยไม่ใช่วันนี้ฉันจะปฏิบัติไม่ต้องกวาดบ้านนะสามเดือนนี้ตลอดพรรษาไ ม, ไม่มีการกวาดบ้านไม่ซักผ้าไม่ทําอะไรเลย จะพอนาลูกเดียวบ้านเธอเนี่ยกลิ่นไปไกลหลายลี้เลยเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจไปจิตใจมีความสุขรู้ทันจิตใจมีความทุกรู้ทันจิตใจเฉยเฉยรู้ทันจิตใจโลกรู้ทันจิตใจหายโลภแล้วรู้ทันจิตใจโกรธรู้ทัน จิตใจไม่โกรธก็รู้ทันะจิตใจหลงก็รู้ทันจิตใจไม่หลงรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ทันจิตฟุ้งซ่านก็รู้ทันจิตหดหู่ซึมเศร้าก็รู้ทันจิตเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่ารู้จิตมีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตเป็นไงก็รู้เอา ร, yes, exactly you know? ร, ร่างกายเป็นไงก็รู้เอาร่างกายเป็นอะไรบ้างร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีสติในการหายใจเรียกว่าอานาปานสติหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกคนภาวนาไม่เปลี่ยนหายใจออกก็ใจลอยหายใจเข้าก็ใจลอยควรหัดภาวนาใหม่ๆหายใจออกก็เพ่งลมหายใจหายใจเข้าก็เพ่งลมหายใจหรือไม่ก็ไปเพ่งท้อง ก็ยังผิดอยู่เอาแค่รู้หายใจออกก็รู้เห็นอะไรหายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกไม่ต้องไปดูเฉพาะลมหายใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนว่าให้ไปดูที่ลมหายใจอันนั้นมันเป็นการเพ่งกระสินเพ่งที่ลมหายใจเพ่งกระสินลมหรือบางทีเพ่งอยู่ที่รูจมูกอันนั้นคืออากาศกระสินกระสินช่องว่าง ส่วนอนาปนสติของแท้ของจริงเนี่ยนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกใครเป็นคนหายใจร่างกายเป็นคนหายใจใครเป็นคนรู้สึกจิตเป็นคนรู้สึกเพราะฉะนั้นเรามีจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจอยู่เรื่อยๆหายใจไปด่อยแล้วก็รู้สึกนร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าเราภาวนาเป็น หรือไม่ชอบรู้กันหายใจชอบรู้ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถสี่เราก็เห็นอะไรยืนเดินนั่งนอนร่างกายยืนเดินนั่งนอนใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจดูร่างกายทั้งร่างกายไม่แค่ไปดูส่วนใดส่วนหนึ่งบางคนก็ไปยกเท้าอย่างเท้านั้นเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้า จิตจะอยู่ที่เท้าเมื่อไรที่เราจ้องลงไปจุดเดียวเนี่ยเมื่อนั้นเป็นสมถะทั้งหมดเลยนะมันคือการเพ่งนั่นะฉะนั้นจิตจะอยู่ที่เท้าจะได้อะไรได้ความสงบนะเดินไปเดินไปปีติเกิดรู้สึกตัวโคลงตัวเบาตัวลอยตัวใหญนะ่คนลุกสู้ซ้าเราบอกว่าเกิดปัญญาไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ญาณ น, นั้นเป็นอาการของปิติเป็นอาการของสมถะ เนี่ยเรียนมั่วซั่วไปนะก็หลงผิดไปนึกว่าได้ยานโ น, นยานนี้แป๊บเดียวยานสนะิบหกแล้วกลับบ้านกลับมายานหนึ่งใหม่นะยานตองแต่งไม่อะไรเหลือนะงัรู้สึกนะถ้าจะรู้สึกกายก็รู้สึกมันรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกมันทั้งตัวนี้แหละแล้วอย่ารู้สึกแบบเพ่งไว้รู้สึกทั้งตัวแบบเพ่งทําไงเอาจิตไว้สูงสูงหน่อยนะแล้วก็มองย้อนลงมาเนี้ย เคลื่อนไหวอย่างนั้นรู้สึกหมดเลยนะรู้สึกได้หมดเลยนะแล้วบอกเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมทําอะไรรู้หมดเลยแต่สังเกตไหมว่าใจมันแข็งแข็งรู้ตัวเนี่นะตาขวางขวางหน่อยรู้ตัวไม่ใช่นะไม่ใช่รู้ตัวทั่วพร้อม ร, รู้ธรรมดไมาไม่มีการขยับจิตให้ซึมซึมแข็งแข็งนะใช้จิตปกตินี่แหละนะรู้สึกไหมตัวนี้เคลื่อนไหว เนี่ยถ้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเนี่ยเรียกว่าเจริญอะไรเจริญสัมปชัญญะบัพพะนะอยู่ในสัมปชัญญะบัพพะในกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะงั้นอย่างถ้าเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดนะูอันนี้เราเจริญอนาณนาปณสตินะเรารู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเนี่เราทําอิริยาบถบัพพะนะในบทของบัพในในบทของ อิทธิยาบทสี่ถ้าเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวมันคันน่ะคันเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเอ้ยใช่ดูแต่นั่งคันก็ทนเอานะไม่ใช่ทางหรอกคันก็เกาสึกว่าโง่ทําไมล่ะนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมเมื่อกี้คันอันนี้เกาแล้วหายเห็นไะหมเวทนาเขาไม่เที่ยงนะร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แลนะร่างกายเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้อย่าคันสิโว้ย มึงก็คันเนไสั่งไม่ได้เนี่ยดูของจริงเขาเปไปอย่างเงี้ยรู้สึกไปสบา ย, บายไม่ต้องทําตัวให้ซีเรียสส่วนใหญ่จะเคยชินนะว่านักปฏิบัติต้องไม่เหมือนมนุษย์ปกติลงพ่อเว้นวากนิดนึงนักปฏิบัติต้องไม่เหมือนมนุษย์ปกตินะชอบทําตัวให้ไม่เป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีใจปกติใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยนะ เราไปทำใจเป็นลมใจนิ่งนิ่งเนี่ยให้หลวงพ่ออยู่ตรงนี้ทั้งวันหลวงพ่อก็อยู่ได้เราเคยอยู่มันนานตั้งยี่สิบสองปีทำไมจะทาให้ได้แล้วมันไม่ได้อะไรก็ได้อยู่แค่นั้นเองงั้นต่อไปนี้นะคอยรู้สึกไปร่างกายหายใจก็รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึก รู้สึกด้วยใจที่สบายใจที่ปลอดโปร่งถ้าใจแข็งแข็งใจแน่นๆ่นรู้สึกผิดนะผิดแล้วทาเนี่ยพอจะให้รู้สึกว่าร่างกายหายใจออกหายใเข้า <c oughs> เนี่ยทําไม่นั่งท่านี้ไม่หายใจนะเออนั่งไม่เด้ร่างท่านี้ผงไม่ได้หายใจต้องนั่งนี้ก่อนเวลาจะให้รู้ลมหายใจพอนั่งได้ที่แล้วทําจิตให้ขึ้น ขลิมได้ที่แล้วดูลมเนี่ยดูตาออกไหมนะดูออกไหมเออแล้วไปดูตัวเองตอนทำมาเป็นหรือเปล่าหลวงพ่ออุตสาห์ทำให้ดูนะพวกอยู่ข้างหลังสบตาหลวงพ่อไม่เห็นมั้งนะอยู่ไกลนะลรวจะรู้สึกเลยมันผิดปกติมันผิดปกติ ตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจมเมื่อไรใจเราผิดปกติตาก็ผิดปกตินะยายปกติไหมตาเ<ม>ห็นไห ม, ต, มตอนหัวเราใจมันคลายรู้สึกไหมรู้สึกไหมมันมีความสุขเนะวลาใจมันผ่อนคลายนะมีความสุขนะใจมีสมาธินะสมาธิมันเกิด อย่างตอนเนี้ยเริ่มมารวบใจเข้ามาให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมเริ่มรวบใจเข้ามาแล้วใจเริ่มไม่มีความสุขแล้วอึดัดแล้วเริ่มผิดอีกลนะนี่จิตมันเคยชินมันจะรวบเข้ามาห้ามมันไม่ได้จนะให้รู้ทันมารวบเข้ามาแล้วนะถ้า ร, ารู้วทสบายๆนะรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้มีสติรู้กายกเรียกว่ามีสติมีสติรู้ใจเรียกว่ามีสตินะ เรว่าสติเทนั้นเน่จะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้รูปธรรมนามธรรมเรียกเรามีสติสติปัฏฐานมีสติปัฏฐานไปเรื่อยๆจำใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์งั้นมีโอกาสที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้การมีสติรู้สึกกายการมีสติรู้สึกใจก ร, ร, ใจรู้รูป ร, รู้นามไปเนี่ยเรียกสติปัฏฐาน เป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสามใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติเดินอยู่ในเส้นทางนี้นะโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลยังมีอยู่ถ้าไม่มีเส้นทางขอสถิปรฏฐานไม่มีวันบรรลุมรรคผลเลยงันเรามีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดนะเรื่องใหญ่ที่สุดในศาสนาพุทธส่วนการทาสมาธิ เรื่องเด็กๆทำให้จิตสงบในะเรื่องเด็กๆนะง่ายมากนะน้อมจิตไปอยู่อารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแค่น้อมไปอย่าบังคับจิตนะแค่น้อมให้จิตไปรู้สึกอย่างหลวงพ่อนะถ้าต้องการทำความสงบนะหลวงพ่อหายใจนะชานานอน า, น า, น า, นาประนสสติน้อมจิตไปรู้ลมหายใจสบายๆรู้ลมหายใจนะไม่ใช่รู้ร่างกายที่หายใจนะ นะรู้ลมหายใจไปสบายลมก็จะตื้นตื้นตื้นะลมก็หยุดกลายเป็นแสงถ้านะรู้แสงต่อเพฉะ้นหลักของการทำสมถะไม่ใช่เรื่องยากหรือเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะแผ่เมตตาไม่มีแสงไม่มีสีนะแผ่เมตตาเนี่ยเป็นกรรมาฐานที่ไม่มีปฏิภาคนิมิตไม่มีแสงไม่มีจุดไม่มีดวง แผ่เมตตาแผ่สัตว์ทั้งหลายทรงเป็นสุเป็นสุเถิดนเะนิ่ดไปเรื่อยๆนะ น, นิ่ดไปหรือเมตตาคุนังระหังเมตตาบริกรรมไปเรื่อยๆนะถ้าใจมีเมตตาเขาเคลียร์อยู่นะที่จิตรวมนะโลกนี้หายไปทั้งโลกเลยเกนะ่งกว่าธรรมนานุปัสตีอนัตตาณสติเนี่ยได้รูปฌานะจิตรวมลงไปยังมีรูปอยู่ แต่ใเจริญเมตตาเนี่ยไม่มีรูปเลยรูปหายไปเลยเหลือแต่ความรู้สึกกันเดียวะถ้าความรู้สึกละเอียดลงไปจริงๆนะแทบไม่มีความรู้สึกแต่ว่ายัางรู้สึกอยู่นรียกว่าละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆถึงในวสัญญาค่อยๆแต่ตัวตัวเมตตาแทา้ๆเนี่ยขึ้นไม่ถึงในวสัญญาะถ้าตัเบกขาเนี่ยขึ้นในวสัญญาได้แต่ว่าพวกเราไม่ต้องอะนะ เอาคณิกาสมาธิให้ได้ก่อนคณิกาสมาธิสําคัญนะคือการมีสติเป็นขณะขณะนี่ยแหละแล้วสมาธิเป็นขณะขณะจะเกิดนะเช่นโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธมีสติรู้หนึ่งขณะรู้แว บ, บหนึ่งจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นแว บ, บหนึ่งงั้นจะได้ ส, สมาธิสั้นๆได้สติช่วงสั้นๆนะแล้วเดี๋ยวไหลใหม่ไปชิดใหม่ พอไปคิดแล้วก็รอบใหม่โกรธใหม่หลงใหม่มีสติรู้อีกรู้บ่อยๆพอรู้บ่อยๆมันกลายไปรู้ทียิบขึ้นมานะรู้ทีทีทีทมันเหมือนรู้สึกทั้งวันเลยอย่างหลวงพ่อเนี่ยกระดุกกระดิกเนี่ยรู้สึกทั้งวันเลยรู้สึกทั้งวันเลยถามว่ารู้สึกอะไรก็รู้สึกเลยรู้สึกกายก็ได้รู้สึกใจก็ได้รู้เรื่องราวที่คิดก็ได้ รู้อะไรก็ได้ใจ้อยอย่างเห็นไหมหยุดพูดแว บ, บเดียวท่านกะระโดดเลยรู้สึกไหมหลวงพ่อเห็นขโมยมากมายเมื่อกี้เนี่ยปุ๊บนะอย่างรวดเร็วให้รู้ทันจิตหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้นะคอยรู้ทันรู้กายรู้ใจไปอยู่ที่บ้านมีกายไหมอยู่ที่บ้านมีใจไหม การปฏิบัติคือรู้กายรู้ใจอยู่ที่บ้านปฏิบัติได้ไหมทําไมทําไม่ค่อยได้รู้ไหมเพราะลาเลยที่จะทําเท่านั้นเองไม่ใช่ทําไม่ได้แต่ว่าละเลยที่จะทําไม่สนใจที่จะทําคิดว่าการอยู่บ้านไม่ใช่เวลาปฏิบัติตอนเวลาจะนั่งรถมาหาหลวงพ่อนั่นแหละเป็นเวลาปั่นกันบ้านนะรีบปฏิบัติก่อนจะเข้าซอยมานะรีบปฏิบัติเกินมาพอมาถึงวัด จิด ท, ที่มันฟุ้งมากๆนะแล้วเราพยายามแทรกแสงจะทื่อๆจิตจะแข็งทื่อๆ <นะ S 1> งั้นภาวนานะหลวงพ่อช่วยได้แค่สอนให้แล้วพวกเราจำนวนมันเยอะเหลือเกิตนต้องแยกย้ายกันไปภาวนาอย่างประสานเน่ไปทำโรงแรมให้คนจีนคนมาเลยอะไรพักนะจะพักได้สักกี่คนใช่ไหม สมมตว่ามีทําได้ร้อยห้องอยู่ในบ้านออกจากห้องไม่ได้เพราะเดินเหยียบเป็นตายเนี่ยอยู่บ้านดีกว่าค่อยๆฝึกเอาอยู่ตรงไหนก็ทําได้หลวงพ่อไม่มีเงื่อนไขว่าต้องไปทําที่วัดตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะหลวงพ่อไปเรียนที่ครูบาอา จ, จารย์แล้วก็มาทำที่บ้านอยู่ที่ทํางานถ้าตอนไหนที่ไม่ต้องทํางานที่ใช้ความคิดก็ปฏิบัติ นะแต่ไหนที่ต้องทํางานที่ต้องคิดปฏิบัติไม่ได้จะกินข้าวก็ปฏิบัติจะอาบน้ําก็ปฏิบัติีจะขับถ่ายก็ปฏิบัตินะเนี่ยเวลาปฏิบัติของหลวงพ่อเนี่ยมีเยอะมากเลยเยอะมากเลยตื่นนอนมานะแทนที่จะบิดขี้เกียจเฉยเฉยนะรู้รู้กายรู้ใจเลยรู้ใจก่อนใจมันปรากฏก่อนแล้วกายมันค่อยปรากฏทีหลังตอนตื่นนอนเนี่ยใจมันขึ้นเหกือนรู้สึกก่อน แล้วมันค่อยแผค่ความรู้สึกออกมาทีไกายนะ ใ, ใจเริ่มไหวตัวขึ้นมานะรู้แล้วนะี่สติมันดนะีฝึกสติไปเรื่อยอยู่ตรงไหนก็พอวนาได้ไปหาครูบาอาจารย์ไปกับพี่ไวยนี่แหละพรายังมาถามเลยว่าโยมทำได้อย่างไรถ้าปฏิบัติตั้งสิบปียี่สิบปีนะถึงจะได้อย่างโยมพอวนาปีเดียว หลวพ่อก็บอกท่านซื่อผมปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับะยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดปฏิบัติตั้งแต่ตื่นเลยปฏิบัติตลอดเวลาเลยแล้วทําไมมันจะไม่ดีส่วนของท่านเวลาบิณฑบาตไม่ต้องปฏิบัติต้องต้องบิณฑบาตต้องสํารวมไปอย่างนี้นะไม่รู้บอกว่าเดินไปด้วยความมีสตินั้นได้บุญเยอะกว่าไม่ใช่ทําเดินซึมซึมไปแล้วก็เวลา ฉันข้าวนะมอบบริก ร, รมพุทโธพุทโธนะมันไม่ได้เจริญปัญญาต่อเลยคือไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความอ่อนตัวในการปฏิบัตนะิถ้าจิตใจมันอ่อนตัวในการปฏิบัตินะอยู่ตรงไหนันก็ภาวนาไดนะ้ไม่ใช่วันหนึ่งมีเวลาภาวนานิดเดียวนะเวลากวาดวัดไม่ต้องภาวนานี่คือเวลากวาดวัดเข้าใจผิดแล้วนะ เวลากอดบ้านก็คือเวลาภาวนาเวลาบินธบาตก็คือเวลาภาวนาเวลาฉันข้าวก็คือเวลาภาวนางั้นมีเวลาภาวนาทั้งวันเลยเยอะกว่าโยมนะพระแต่พระตกนรกเยอะมากเลยพระว่างมากก็คิดมากคิดมากใจก็ลงตับเอไม่ใช่หลวงพ่อว่านะครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่าพระตกนรกเยอะ ถ้าตโตนโรกเยอะเมื่อเทียกบกับจำนวนพระซึ่งมีไม่มากนะยโยมโตนรกน้อยแต่โยมมีจำนวนเยอะมากเลยคูณออกมาแล้วเนี่ยนะเทียบกันไม่ติดนะเทียบกันไม่ติดหรอกเนี่ยฟังธรรมะแล้วใจเราเป็นไงใจเราโปร่งไหมใจเราโปร่งรู้ว่าโปร่งใจเราหดเข้ามารู้ว่าหดเข้ามานีมีสติอยู่ตลอดเวลา ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเกิดความเปลี่ยนแปลงรู้ทั น, นถ้าจิตมันเฉยๆก็รู้สึกกายไปร่างกายหันซ้ายหันขวายุงมาแล้วจิตมันโกรธมองไม่เห็นไม่เห็นว่าจิตโกรธเงื้อมือล้วตบแล้วมือกำลังเคลื่อนไปเนี่ยเราเคยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นมือเคลื่อนไปหายุงจิตก็สั่งยุดไม่หยุดหรอก เพราะอะไรร่างกายรับออเดอร์จากจิตดวงก่อนนะรูปนี้อายุยืนกว่าจิตนะที่สั่งฉิตสั่งแล้วมันไม่หยุดหยุดไม่ทันอย่างเดินเดินอยู่เนี่ยนะเห็นแล้วเลือกก้วยอยู่ตรงเนี้ยกระโดดไม่ทันต้องเหยียบนะพอเหยียบแล้วเอาไปสติเราดีเราเห็นร่างกายลอยขึ้นในอากาศนะเท้าไม่สมัมผัสพื้นแล้วนะร่างกายกำลังหมุนหมุนหมุนหมุนจะลงท่าไหนเนี่ยมันจะรู้หมดเลย หลภาพเคยหกลม้มที่วัด น, นี่ที่หนึ่งมีหมาหมาเนี่ยตัวอย่างกับลูกขนุนเนนะีตัวยาวแค่นี้แต่กว้างแค่นี้ <c oughs> เนี่ยตัวมันยาวแค่แค่นี้นะมันกว้างแค่นี้มันคึกมันวิ่งชนข้อพับหล่เนี่รอยทั้งตัวเลยนะอยู่ข้างหน้านี้ลนะอยเนี่ยไม่ฝืนเลยเห็นร่างกายลอยมันเบาเบนะ จะรู้สึกเบาเหมือนสำลีลอยลงอย่างนุ่มนวลนนลงแล้วก็ม้วนถ้าเราเคยฝึกยูโดเวลาม้วนก็ไม่มีโป้เลยชุดตาเนี่ยโป้สุดยอดเลยเวลาม้วนนี่เก็บเก็บหมดเลยน ะ, นะม้วนลงไปอย่างสวยงามนะไม่อูจารตาหมาวิ่งไปยิ้มหัวเราะยอะเราอยู่ตรงโน้นละนะ เราก็าลุกขึ้นมาเ น, นี่ยจะรู้สึกเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวชัดชัดชัดชัดรู้สึกบนางถ้าสติเราไวมันจะเห็นเป็นชัดชัชัดเลยนะงค่ายๆฝึกนะอะไรก็ไม่ดีเท่าเจริญสติรู้สึกกายรู้สึกใจก็คือเราทําสติปัฏฐานนั่นเองมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจทีแรกเราก็จะรู้สึกกายรู้สึกใจนะต่อไปเราจะรู้สึกถึงไตรลักษณ์ของกายของใจ สติปัฏฐานมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเรารู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเรียกว่ามีสติ <c oughs> มีสติหายใจออกหายใจเข้าใครหายใจรูปหายใจร่างกายหายใจรูปหายใจนมีสติอยู่รอบตรวหลงเกิดขึ้นนะใครเป็นคนรอบตรวหลงจิตเป็นคนรอบตรวจลงนะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจนะแต่ว่าถ้าเห็นต่อไปมีปัญญานะมีปัญญา เห็นร่างกายแสดงใจรักร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราถ้ามีปัญญาเนี่ยนะขึ้นวิปัสสนาใพะั้นการเจริญสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกทำไปเพื่อความมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆเมื่อไหร่รู้สึกม่นนั้นมีสตินะเพราะงั้นอย่างที่เขาไปดูท้องท้องเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกได้สตินะ แต่ถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเป็นสมาธิเฉยๆนะจะขึ้นปัญญาต่อไม่ได้แต่ถ้าจิตไม่ไหลลงไปยังดูเห็นท้องเคลื่อนไหวนะนะไม่ได้ไปจ้องที่ท้องแต่เห็นร่างกายขยับเห็นร่างกายนะหายใจแล้วท้องมันขยับรู้สึกสบายๆใจเป็นคนดูอยู่ถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดไอ้ร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเราไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเราถูกความทุกปบีบคั้นอยู่เรื่อยๆ เนี่ยคอยดูไปเลยร่างกายก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นภูเป็นอนัตตาให้ดูอย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาเป็นการเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญานะเมือนทําเมื่อไหร่เห็นใจรักแล้วก็จะขึ้นวิปัสสนาแล้วเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาปัญญานะงั้นสติปัฏฐานเนี่ยได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนานะไม่ใช่วิปัสสนาล้วน ถ้าเมื่อไรเห็นรูปเห็นนามเมื่อนั้นเป็นสมถะถ้าเมื่อไรเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเมื่อนั้นเป็นวิปัสสนาเมื่อมีวิปัสสนามากปัญญาจแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้รูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเรา <นะ S 2> เป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะ ต่มาปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันรู้ว่าตัวรูปเนี้ยรวมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะในสิ่งที่กระทบกายเวนะ็นของไม่เที่ยงปเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็ต่อไปมันเห็นมากๆนะมันจะวางกายมันจะไม่ยึดถือกายเป็นภูมิธรรมของผ้านาคามีนะ มันจะไม่ยึดถือกายแล้วเดี๋ยวรู้เลยกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดถือไม่ได้นะต่อไปมันก็ภาวนามจะมาเข้ามาที่จิตนะเพราะมันวางกายแล้วมันเหลือจิตก็เจริญปัญญาต่อไปเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะถึงจุดสุดท้ายนะเข้าใจความจริงแล้วจิตนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราไม่เที่ยง ทุกเพราะถูกเก็บคั้นคือทุกขังถูกเพราะว่าเราบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาทุกเพราะเป็นอนัตตาเห็ น, น <ะ S 1> ทุกในมุมใดมุมหนึ่งนะจิตก็ปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตเขาเป็นพ ร, าารนะอรหันต์นันเป็นเรื่องการมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจทั้งนั้นเลยตั้งแต่ต้นทางของการปฏิบัติจนถึงที่สุดของการปฏิบัตินะ ีอาศัยการมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจจนเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นใจลักบเพราะฉนั้นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพระฉนั้นตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่นะยังมีโอกาสที่จะเกิดพระราหันต์ขึ้นมานะดูพระราหันต์ดูง่ายๆนะ พระชอบหลอกว่าเป็นพระอรหันต์ก็มีเยอะนะเลยที่เยอะกว่าพระหลอกว่าเป็นพระอรหันต์ก็คือโยมชอบตั้งพระเป็นพระอรหันต์<ม>เยอะมากเลยตั้งองค์โน้นตั้งองค์นี้นะเอองค์นี้เลี้ยงหมามากเนี่ยเมตตาสูงเป็นพระอรหันต์เออเลี้ยงหมาก็อรหันต์ได้วะนะองค์นี้ไม่เลี้ยงหมาสักตัวเลยท่านมักน้อยสันโดษท่า น, นเป็นพระอรหันต์ หลวงพ่อให้หมดแล้วนะเน่ะให้หมดเลยโยมชอบตั้งนะแล้วพระบางคนมันก็ชอบหลอกเพราะฉะนั้นเวลาใครเขาบอกเขาเป็นพระอรหันต์หรือเพื่อนเราบอกว่าคนนั้นพระอรหันต์คนนี้พระอรหันต์อย่าเพิ่งเชื่อนะดูก่อนว่าสิ่งที่เขาปฏิบัตินะั้นเป็นไปเพื่อบรรลุมักผลจริงหรือเปล่านะถ้าสติปัฏฐานยังไม่รู้เรื่องเลยสติยังไม่มีเลยนะ วันวันวิ่งหาตำแหน่งอย่างเดียวไม่ได้กินหรอกพระระหันบ้าบออะไรวิ่งหาตำแหน่งนไม่มีหรอกโดนหลอกไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไปร้องเพลงนี้เลยโยมนี่นแหละตัวส่งเสริมให้พระแย่เอาต่อไปถรวจกันบ้านสรุปนะที่เทศช่วงสองเนี่ยก็คืออยู่บ้านก็ทาได้ มา ส, ส ก, การคะ่ะหลวงพ่อก่อนก่อนหน้านี้เคยส่งกันบ้า น, นะคะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าพอจะรู้สึกตัวได้แล้วแต่ว่ามันอยู่เฉยเฉยไม่ไม่ได้เดินปัญญาต่อะคะ่ะทีนี้หนูก็ไปทําตามที่หลวงพ่อสอนแล้วก็ก็คือดูโทสะที่มันเกิดขึ้นเองอะคะ่ะทีนี้มันมีเห็นกิเลสตัวอื่นด้วยะคะ่ะตัว ที่เป็นตัวตัวกูของกูอะค่ะมันใหญ่มากเลยอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็รวมตัวอื่นแบบว่าเห็นแก่ตัวอิจฉาอะไรมาหมดเลยอะค่ะแต่ว่าเห็นเห็นเห็นแค่ช่วงนั้นแต่พอหลังๆนี้มันก็จะไม่ค่อยเห็นคือรู้ว่ามันยังมีอะนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็คืออะไรไม่พอหมายถึงว่าสมาธิไม่พอหรือสติไม่พอเป่าสติมันไม่รู้ึกดูไม่ออกสมาธิมันเกิดเป็นขณะขณะ เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นก็มีสมาธินี่เราหัดดูสภาวะาตัวไหนเด่นเรารู้ตัวนั้นตัวนี้ยังไม่เด่นตอนอย่างเรารู้ทันอีโก้ของเราเซลสจัดอะไรเนี่ยเรารู้ทันแล้วมันไม่ค่อยแรงพอมันไม่ค่อยแรงก็ดูยากตัวไหนแรงก็ดูตัวนั้นแหละไม่จาเป็นไม่ต้องไปวนเวียนไปดูไอ้ตัวเดิมตัวไหนเด่นรู้ตัวนั้นนี่หลักของการปฏิบัติน ะ, นะ เพราะคุณค่ะธรรมารดูไปเรื่อยๆค่ะดูตามที่เป็นแล้วก็หลงบ้างรู้บ้างค่ะออขณะนี้จิตถึงฐานไหมไม่ค่ะออใช้ได้รู้อย่างนี้ใช้ได้แต่บางคนเจ้าเล่ห์นะหลวงพ่อถามว่าจิตถึงฐานไหมไม่ค่ะความจริงไม่เห็ น, <laughs> นคำว่าเห็นเนี่ยพูดในใจไม่ เหค่ะถ้าเห็นแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าจะรู้คำตอบไงถ้าหลวงพ่อถามว่าจิตถึงฐานไหมต้องตอบว่าไม่ถึงถ้าอย่างนี้ใช้ได้บางคนไปจำอย่างนั้นนะหรือใช้ไม่ได้ต้องเห็นจริงๆของหนูเห็นใช้ได้ ใจยอมรับมากขึ้นกับสิ่งที่เจอทั้งทุกข์และสุขโดยเฉพาะความทชกทราบแล้วว่าเป็นไปตามเหตุบรรจัยที่เคยทํามาค่ะใจมันสลดสางเวทขึ้นมานะให้รู้ทันใจเป็นไงก็รู้ไปดีทําำอีกคะทํำอีกกับหลองพ่อค่ะอืมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วทํายังไง ก็รู้ค่ะเห็นไหมท่องมาแล้วบอกว่าตื่นเต้นเรารู้ความจริงไม่เลยคิดเดี๋ยวจะส่งกันบ้านยังไงดีไม่ใช่ว่าตื่นเต้นเรารู้ว่าไงก็เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่ารู้อะไรก็ได้รู้สภาวะเพื่อให้รู้ทันจิตหนูก็ปั่นกันบ้านก่อนมาอยู่วัดนะคะแล้วทอมมาอยู่วัด ก็พยายามตั้งใจอ่ะค่ะมันก็ฟุ้งมากแล้วก็จะรู้สึกว่าพอไปเห็นจิตตัวเองก็จะเห็นจิตที่มันมันฟุ้งแล้วก็มีโทสะค่ะจิตฟุ้งรู้ว่าฟุง้งจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าทํำยังไงจะไม่ฟุง้งทําไงจะไม่มีโทสะเราไม่ได้คิดจะทำอะไรนะเรารู้อย่างที่เป็นถ้ารู้ได้อย่างนั้นก็ถูกแล้วคือหนู หนูหนูตั้งใจจะทำมากเกินไปหรือเปล่าใช่ตั้งใจแล้วมันจะเครียดค่อนข้างเครียดค่ะเออนะต้องไม่เครียดนะภาวนาให้มันมีความสุขภาวนาไปสบายสบายก็รู้ว่าผิดค่ะแต่ว่าอยากให้หลวงพ่อแบบช่วยโคบอยากให้รู้ว่าอยาก <c oughs> หลวงพ่อช่วยได้แค่สอนให้หาดูของเราไม่มีใครสอนธรรมะเราได้นะสติ สมาธิเรียนรู้ลงไปสติรู้ทันสภาวะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวปัญญาจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครมีปัญญาแทนหนูได้หรอกถ้าหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีสติหรือว่าปฏิบัติไม่ได้แล้วหนูเห็นโทสะอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะได้ถ้าชีโมโหนะเดี๋ยวก็โกรธโกรธก็รู้โกรธหายไปก็รู้โกรธมีอยู่ก็รู้เนี่ยฝึกผู้เดียวก็พอ ตอนนี้จิตไม่โกรธ ด, ดูไปดูไปชักมโมโหตัวเองเอีกแล้วะทําไมมันเฉยๆวะแล้วมันจะดีเมื่อไหร่ชักมโมโหอีกแล้วเนี่ยรู้ว่าโกรธค่ะก็มีอะไรแนะนําเพิ่มไหมคะหลวงพอ่อไปรู้ปัจจุบันดูปัจจุบันไปขอบคุณค่ะไม่น่าจะมีอะไรแร้วคะ่ะหลวงพอ่อจิตไม่ถึงฐานรู้ไหม หายใจซิหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกมันจะชอบเข้าไปเพ่งอะค่ะดิฉันหลวงพ่อถึงใช้เสียงเงี้ยหายใจแล้วรู้สึกนะสบายถึงนไม่ใช่หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกนี่เคลื่อนะนี่เพ่งหายใจสบายสบายรู้สึกตัวไปหมดละสวยมดเอาไหม เบอร์สีเ 1, นะ่เบอร์หนึ่งะเบอร์สามสิบสองเบอร์ยี่สิบห้าสามสิบแปดยี่สิบแปดเบอร์สิบห้าสามสิบสี่เบอร์สามสิบเอาหัวขึ้นสินี่เอาหัวลงวะใช่คปั่ เออสามสิบสามสิบหกยิบสองสามสามหลวงพ่อเรียกหมดเลยล่ะแต่มันมีเวลาเจ็ดแปดนาทียังไง <c oughs> <c oughs> อ้าเชิญเบอร์สี่หรือว่าถ้ารู้อยู่แล้วแปลออกมาเลยก็ได้ <c oughs> เอ่อ典礼ลงโบค 呃，我是小时候就经常会出现身心分离的情况，然后大概三年前接触到佛法，然后开始修习扫描身体的禅修。然然后然后扫描身体主要就是用 vipassana 的这种方法，然后有时候可以做到，有时候就做不到。然后用这种方法大概修了九个月，然后当时进步也很大。 但后来觉得就是只这样修不太够，然后就想要去看一下怎么样修奢摩他，因为只修维帕萨那还有关身体会觉得特别累，然后进步并不是很稳定。然后，呃，然后就是因为也没有老师，就自己去研究怎么修奢摩他。然后也是因为很多原因，当时定力波动很大，就是几天两三天时间就会上下一次，然后这样波动很多次。 就会当时特别痛苦，然后心自己进了无想定，然后就觉得这样肯定不对，然后就暂时不这样修了。就是后面就基本上是心自己想修的时候就修，然后不想修的时候也就没有刻意去禅修。有时候他自己会进到比较深的定里面去，但我也不知道为什么，然后也没有办法控制说要让他进去这样。 คือเขาบอกว่าเขาท่านเด็กๆ ก, ก็ไกลกับจิตจะแยกกันคือก่อนสามปีเขาเริ่มฝึกฝึกเอวิปัสสนาแต่ประมาณนั้นจะเตือนเขารู้สึกว่าใจเหมือนไม่มีแรงจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีครูบาจย์เขาก็ไปฝึกสมถะแต่เขาเรอกว่าเขานั้นจะเขาฝึกแล้วเขารู้สึกว่าใจจะตอนที่จะเข้าสมาธิแบบน็กลึกลึกๆจะไม่มีสัญญาคือเขาอยากจะขอ คำแนะนำจากหลวงพ่อครับให้กลับมามีใจที่เป็นคนธรรมดาใจตอนนี้มันไปปรุงแต่งไว้จนทั้งโมหะครอบไปนะมันจะซึมซึมนิ่งนิ่งไปเฉยเฉยพยายามกลับมานึกถึงจิตใจสมัยตอนเด็กๆก่อนที่จะหัดภาวนาจิตใจของเด็กๆก่อนที่จะหัดภาวนานะเป็นจิตใจที่ดีที่สุดเลยนะเพราะไม่มีมารยา เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวได้อย่าไปประคองจิตให้ซึมๆเขาชอบไปประคองจิตให้นิ่งๆอย่าไปประคองจิตปล่อยให้จิตมันทํางานเหมือนจิตตอนเด็กๆตอนที่เรายังภาวนามไม่เป็นนึกออกไหมสมัยตอนยังเด็กๆก่อนที่จะมาหัดภาวนานะ 我总是很想要修行，能有一个稳固一点的基础。然后也是因为没有一个特别合适的目标去修奢摩他。因为我是就是看到什么目标都很喜欢去，就是就是责法会特别强，就是没有办法单纯的安住在上面。所以我修维帕萨那也是有时候心有力的时候是可以修，但是奢摩他就总是觉得很难修。หนึ่งถามเขดูว่าตอพูดอ จิตจะอยู่ในโลกของความคิดอะรู้สึกไหมไม่ชครับเนี่นยแหละต้องหัดว่นะาจิตมันจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนะพยายา ม, มหัดรู้สึกตัวเยอะๆเคลื่อนไหวให้มากถ้าเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆหางานทำที่เคลื่อนไหวกะดุกระดิกล้วคอยรู้สึกร่างกายนะจิตจะได้ไม่เปติดนิ่งเฉยๆอยู่นะ จะต้องแก่แนะตรงนี้เพราัว่าฉัจ น, จ น, ารารานรู้สึกว่าการที่มันไม่รู้สึ ก, สกแล้วก็ไอ้ที่ว่ารู้สึกเนี่ยนะรู้สึกแบบจิตแข็งแขงอยู่นะมันจงใจรู้สึกมันก็มีเหมือนกันนะ งนจิตจะนิ่งๆแล้วก็รู้สึกอย่างนี้นจิตมันนิ่งๆเฉยๆอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งมันมีตัวนิ่งอยู่ตัวปล่อยมันไป 如果觉知不是能去做的话，我有时候就不知道怎么做了。就是先有时候会很柔软、很轻松，然后他也有过，就是自己会进到禅那里面去。但是平时就是还是会有这种习惯，因为之前就是定力不稳定的时候特别痛苦，所以就当时进了无想定，到现在还是有这个后遗症。靠在靠的力 คือบางทีเขาก็มีอาการออกมาแล้วก็มีอาการที่ไม่ที่ทื่อๆแข็งๆครับพยายามลืมเรื่องสมาธิไปเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเห็นร่างกายทำงานไปเรื่อยๆให้เป็นธรรมชาติจิตม็นติดสมาธิติดนิ่งๆได้คนเดียวแหละเพราะว่า <laughs> <laughs> <laughs> คนที่ติดสมาธินี่นนะเป็นกรรมฐานที่แก้ยากที่สุดเลยยิ่งถ้าบางคนติดหลายสิบปีเนะี่ยแก้ไม่ได้คนนี้ยังติดไม่ถึงหลายสิบปียังพอแก้ได้เพราะว่าล่างลงไปเนี่ยใจยังฟุ่งซ่านอยู่มันไม่ใช่ว่านิ่งคงที่ทั้งวันทั้งคืนนะะปล่อยให้ใจมันทํางานอย่าไปจ้องอย่าไปบังคับมันนะอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วแล้วก็จิตอยากจะพูดอย่าง ให้รู้ทันเลจิตไปคิดแล้วรู้ทันจิตอยากจะพูดรู้ทั น, นคนจีนเสียเปรียบคนไทยตรงนี้นะต้องไปใช้เวลาแปแถ้าเราฟังปุ๊บเรารู้สภาวะใคร้ปัจจุบันได้เลยเขาเสียเวลาช่วงหนึ่งออยางตอนนี้หนึ่งเขาหลงไปในโลกของความคิดอีกแล้วเห็นไหมใจเริ่มอยากพูดอีกแล้ว รู้ทันความรู้สึกของตัวเองเข้าไปนะแล้วตอนนี้รู้สึกไหมจิตสว่างกว่าเมื่อกี้เ的的看多少ฉันคิดว่าจิตติดตสมาธิเป็นสภาวะาถ้่เห็นจิตไปติดสมาธิเขาก็ไปเห็นเขาไม่ได้ปฏิเสธ เอาเอาอะไรก็เอาเนาะคืออยู่ที่ว่าจิตติดติดไม่ปฏิเสธที่าจริงนะแต่ว่าสติมันไม่พอะจิตมันไหลก็ไปอยู่อย่างเงี้ยหรือบางทีก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดจุดสําคัญเลยคือจิตไม่ได้ทรงสมาธิอยู่ตลอดสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวสมาธิที่ดีนะเพราะว่าจิตไม่ได้โปร่งลงเบาไม่ได้สบาย มันยังบังคับจิตอยู่ถ้าจิตเป็นสมาธิที่ดีเนี่ยไม่ได้บังคับมันมีความสุขมันมีความสงบมันมีความร่าเริงในใจนี้พอเราไปบังคับอยู่นิ่งๆอยู่นะมันร่างกายเคลื่อนไหวหรืออะไรเนี่ยมางทีรู้หมดเลยอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้หมดเลยแต่ว่าใจมันทื่อๆอยูนะ่มันไม่ใช่ใจที่เป็นธรรมชาติแล้วเวให้เข้าฝึกตรงนี้นะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งจะหายใจหรือจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้ แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดให้เล่นตรงนี้เลยเล่นบ่อยๆเนเพราะว่าเวลาจิตหนีไปคิดจะไม่เห็นเรียนพุทโธเ可以吗？念普陀也ดพุโ普陀ได้ไหมครับ？ได้พดโ普陀แล้วก็รู้ทันจิตนะไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้พุทโธแล้วจิตแน่นๆขึ้นมาก็รู้พุทโธแล้วเป็นยังไงก็รู้ไปนะ พุทโธเรารู้ทันจิตไม่ใช่พุทโธให้สงบไม่ได้พุทโธให้นิ่งได้คนเดียวที่เหลือวันนี้มีใครสอนบ้างประสานป่ะมีคนจีนนะฮะ <S <S ไม่แม่คนอื่นน่ะมีอีกหลายคนคนเนี้ยอาจารย์กลัวเลย คือพวกติดสมาธินะ่ะเป็นพวกที่แก้อยากที่สุดเพราะว่าไหลมันติดของดีมันไม่ใช่ติดของเลวนะถ้าติดของเลวเช่นใจฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยนะสอนให้แก้เนะี่ยเต็มใจแกง่ายากนะวันนี้มีใครช่วยสอนไหนคุณมาลีอ๋ออยู่ท้ายห้องเอาเลย <laughs> มาลนะีมีนกอยู่นี่มีใครอีก หมอม่อนฟ้าสำราไว้มีเยอะนะพวกที่ลงชื่อไว้ไปหาพวกนี้มีคุณแม่มีลวงอาไม่ได้ลวงอาจะกลับคุติแต่หลวงพ่อนะับบัตรนี้แล้วนิมอนอ์ท่านอาจารย์เนย